เจริญอาณาปานสติเราต้องรู้ก่อนว่าอาณาปานสติก็จริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยข้อต้นๆจะเป็นเรื่องทำพูดง่ายทำเจโตสมาธนี่แหละน่าทำจิตให้นิ่งให้สงบโดยเรียกว่าจนถึงจุดจุดหนึ่งน่าจะเป็นอุเบกขากระตามเนี่ยเนี่ยทำจิตให้นิ่งเลยเหมือนกับที่เราฝึกสมาธนี่แหละพอนิงดีแล้วอันนี้อามาพูดแบบง่ายๆนะ คือพอจิตเรานิ่งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราก็เอาจิตของเราตัวนี้ซึ่งมันเป็นกลางๆมันมันไม่ได้มีกิเลสมาครอบงำแล้วเพราะจิตตอนนี้มันนิ่งมันสงบดีอะ่ะเพราะนั้นเอาจิตอันเนี้ยมาพิจารากิเลสที่เรามีกิเลสตัวไหนอะ่ะเนี่ยจะเป็นกิเลสตัวราคะจะเป็นกิเลสตัวพยาบาทหรือขานี้มาถึงแม้แต่กิเลสตัววิตตกก็ต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 นะไม่รู้จะเดินไปไซ้ายดีหรือจะเดินไปขวาดีนะหรือว่าจะมาวัดดีไม่มาวัดดี <c oughs> นะเจ้าทำเป็นเ ม, มาเมาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็ก็เป็นพวกวิตกนะแต่ตอนนี้คุณาท่านบอกว่าเราจะละวิตกพวกนี้โดยใช้อนาปานาสติอาตมาบอกแล้วเพราะน้อนอาตมาเนี่ยบางทีชอบบอกหลายๆคนที่บางทีพอเจอสภ า, าวะสับสนบางที จะเรียนต่อไม่เรียนต่อดีจะทํางานนี่ดีหรือไม่ทําดีเออนะหรือว่าจะไปขอโทษดีหรือไม่ขอโทษดีอะไรเงี้ยนะวิตกอยู่นั่นนะคิดอยู่นั่นนะโอ้ปงอยู่นั่นนะตัดสินใจอะไรไม่ลงไปสักทีนะไอตอนที่สับสนตอนที่มันกำลังลังเลตอนที่มันกําลังไม่รู้จะยังไงอะ่ะแต่เรารู้ว่าจิตเราไม่ค่อยดีละนะมันมึนๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย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 นะเอาฝังไปให้หมดช่างหัวมันไว้ก่อนตอนนี้ปล่อยหมดเลยนะให้เหลือแต่ความว่างเปล่าให้จิตมันโล่งๆให้จิตมันว่างๆก่อนทำตรงเนี้ยทาให้ได้ถ้าจิตมันโล่งๆว่างๆได้แล้วเออจิตมันชักจะมีพลังพอจิตมันชักมีพลังนี่แหละหรือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีพลังของปัญญาเริ่มมีพลังของความคิดที่จะตัดสินใจได้เกิดขึ้น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 ก้าวไปในทิศ ท, ทางนั้นมันจะไม่ใช่อพอไอ้ยกขาขึ้นจะก้าวไปซ้ายก็เอ้ยมาขวาดีกว่าเอ้ยไปหน้าไปหลังดีกว่านะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอสรับสนลังเลอย่างนั้นแล้วบางทีก้าวไปนั้นเสร็จเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาใหม่ก้าวไปทีน่นี่ดีกว่าคือถ้าใครเป็นอย่างนี้นี่ห่วงวิตกกังวลทุกร้อนอยู่เรื่อยๆอจิตไม่ไม่สงบจิตไม่เป็นสุข นันนี่พูดภาษาแบบง่ายที่สุดแล้วแต่พูะเจ้าเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าอาณาปานสตินะเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยทำอาณาปานสติแบบเนี้ยสติก็คือคือตัวรู้นะตัวที่คอยรู้อยู่ว่าไอ้ตอนนี้เป็นยังไงสภาวะจิตเราใจเราเป็นยังไงบ้างให้รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะพอรู้ว่าอ่ะตอนนี้สับสนอีกแล้วเริ่มเกิดอย่างนี้อีกแล้ว รีบๆหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนหยุดได้แล้วค่อยพิจรารณาเพราะถ้าคุณยังหยุดไม่ได้เนี่ยคุณปุงคุณฟุง้งไปทัทง้ทงๆที่คุณยังมึนๆคุณเมาๆอยู่นะไม่เพียงแต่คุณคิดไม่ออกเท่านะั้นนะ่แต่หัวคุณจะแตกสัมมวนในพระไตรปิฎกเนี่ยหัวจะแตกออกเป็นเจดเสียงสัมมวนในพระไตรปิฎกจะใช้คําว่าเนี่ยถ้าไปคิดเรื่องพวกนี้หัวจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียง ก็หมายถึงว่าคุณคิดยังไงคุณก็คิดไม่ออกหรอกเรื่องทุกเรื่องเนี่ยนะมีเหมือนกันบางเรื่องที่เราคิดไม่ออกแต่เราไม่เราไม่ต้องมาทุกก็ได้นะถ้าคุณวางได้ใช่ไหมแม้เรื่องนั้นนะ่ะคุณยังคิดไม่ออกก็ตามแต่มันจะวางได้เพราะว่าเอา้าเดี๋ยวก็เอา้าคิดไม่ออกแล้นะเดี๋ยวมันให้เป็นไปตามที่มันจะเป็นไปใช่ไหมบางทีเราก็ตัดจบได้เนี่ยเพราะว่าจิตมันยังพอมีพลัง แต่ถ้าจิตคุณเนี่ยเมาอยู่แล้วนะแล้วคุณก็พยายามคิดพยายามดึงดันพยายามคิดพยายามคิดโอ้โหบางคนนี่นะหน้าก็ซีดลงตัวก็ค่อยเล็กลงเล็กลงยิ่งคิดก็ตัวเล็กลงแต่หัวโตวขึ้นนะตัวเล็กลงแต่หัวโตวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยระวังหัวมันระเบิดนะสำนวนเนี่ยเขาใช้หัวระเบิดจะระเบิดออกเป็นเจ็ดเสียงเลยนะหัวจะแตกออกเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งเรื่องอจินไตเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องอจินไตมีอะไรบ้างฮ ะ, ะพุทธวิสัยของพุทธเจ้าอย่างเงี้ยน ะ, ะเรื่องของฌานใช่ไหมฌานฌานวิสัยอ ะ, อะไรอีกอจินไตวิบากกรรมแล้วอะไรอีกอความคิดเรื่องเรื่องโลกนี่แหละโดยเฉพาะ โลกรอบตัวเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยคือโลกลูกนึงตัวคนเราเนี่ยคือโลกลูกหนึ่งใช่ั้ยเขาใช้สำวนวบ้าอะไรฮะเขาใช้สำเนวบ้าอะไรกายาวาหนะคืบกว้างสอกอันมีสัญญาอันมีใจเนี่ยใช่ั้มมีสัญญาเนี่ยคือใจเราเนี่ยเนี่ยคือโลกลูกหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยโลกเรานี้แหละเนี่ยโลกก็คือตัวเราแล้วก็เนี่ยโลกเนี่ยที่อยู่รอบๆโลกเราเนี่ยนะก็คือคนที่อยู่รอบๆเรานี่ก็โอ้โหโลกแต่และลูกนะ่าหน้าเวียนหัวทั้งนั้น <c oughs> น่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยบางทีนี่เราเองเราก็พยายามรู้ให้ใจว่าไอ้ที่วุ่นวายที่สุดก็โลกนี้แหละโดยเฉพาะโลกที่มีคนเนี่ยแหละวุ่นวายที่สุด นะพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ย ก, ก็มันคนเนี่ยมันคนใบคนมามันคนใบคนมามันกวนใบกวนมาเนี่ยนะเนี่ยแหละมันทําให้หน้าเวียนหัวมันทําให้หน้าปวดหัวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อันนี้ได้เราเข้าใจนะเราก็จะแบบว่าเออมันวุ่นวายจริงๆโลกเนี้ยเพราะบางทีมันก็เลยต้องตัดออกบ้างนะบางครั้งพระเจ้าท่านก็เลยให้เปรียบว่าโลกนี้เป็นเหมือนกับอะไร ความว่างเปล่าคุณเอาอะไรไม่ได้หรอกในที่สุดแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้บางทีบางเออจะทำให้วางใจได้แล้วมันจะไปถึงข้อต่อไปนะข้อสุดท้ายที่พรุทธเจ้าท่านตัดว่าเนี่ยใช้อนิจจสัญญานะเพื่อละอัศมิมานะแหมเรื่องนี้สำคัญเลยแหละอนิจจสัญญา อันนี้จังเนี่ยแหละอันนี้จะเนี่ยหมายถึงอะไรความไม่เที่ยงนะความอะไรอะ่ะมันแปรปวนนะสัญญาสัญญาก็คืออะไรสัญญานี่คือการกําหนดเนี่ยในโลกเนี่ยที่เรากําหนดอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราไปกาหนดเนี่ยมันู้วนเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยที่คุณกําหนดกําหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเลย อันนี้จะสัญญาเนี่ยนะสัญญาคือการกําหนดมันการกําหนดอะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งนั้น่ะแม้แต่อะไรแม้แต่อะไรแม้แต่ความดีต่างๆที่เรากําหนดว่าอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ชั่วนะอ่ะมันยังไม่เที่ยงเลยมันยังไม่เที่ยงเลยนะทั้งดีก็ตามทั้งไม่ดีก็ตาม เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดอย่างนั้นเนี่ยเรายัางโอ้โหสัญญาว่าจะเอาอย่างเดียวอะ่ะคือกำหนดเอาไว้ว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสัญญาไม่ได้แล้วแม้แต่สัญญาก็พุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรสัญญาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัจจะทำไมมันไม่ใช่สัจจะเพราะมันไม่เที่ยงเพราะสัญญามันไม่เที่ยง เพราะนั้นมันเลยไม่ใช่สัจจะมันมันตายตัวไม่ได้เออมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปละเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะนั้นขนาดสัญญาก็ไม่ใช่สัจจะอา่าตอนนี้เราใช้อนิจจสัญญาเนี่ยคือการเราใช้การพิจารณาว่าเออไอ้นู่นไม่เทียงไอ้นี่ไม่เทีย ง, ม, ยงมันเป็นสมมุติขึ้นมาใช่มเพื่อละอัสมิมานะอัสมิมานะหมายความว่าไง มานะมีอยู่ตวัวง่ะต้องรู้แน่มานะแปลว่าอะไรเออความการถือตัวหรือแม้จะแม้แต่การถือดีก็ตามนี่ก็เป็นการถือตัวเหมือนกันนะอัสมิมานะคือการถือว่าเนี่ยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่ของกูนะนะอัสมิเนี่ยนะแปลว่านี่นี่เยของฉันนะ อ, อันนี้ต้องเป็นฉันนะอฉันต้องเป็นนายกนะ ฉันต้องเป็นหัวหน้าพักนะฉันต้องเป็นสมณะให้ได้นะอ่าอะไรอย่างนี้เนี่ยฉันต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเงี้ต้องเงี้ยเนี่ยเนยเรียกว่าอัศมิมานะคือมันยึดเป็นเจ้าของเจ้าจของยึดว่าต้องมีอย่างงั้นต้องเป็นอย่างงั้นเพราะนั้นคนเราส่วนใหญ่ที่ยังมีกิเลสอยู่มีตัวนี้ทั้งสิน้นทุกคนทุกคนไม่เว้นเลยถ้ายังมีกิเลสอยู่ เพรมันจะยึดเป็นเจ้าเข้าจ้าของและตัวนี้แหละที่ทําให้คนเราเนี่ยทุกข์มากอยู่ทุกวันนี้แม้แต่ไล่ไปเลยตั้งแต่ราคะตั้งแต่พยาบาทอ่าแล้วก็ตั้งแต่วิตวตกก็ตามสามตัวต้นนั้นน่ะจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นคุณว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะ่ะราคาเนี่เทีย่ยงไหมไม่เที่ยงพยาบาทเทีย่ยงไหมไม่เที่ยงวิตกเทีย่ยงไหมไม่เที่ยง แล้วเราก็กําหนดกันขึ้นมาใช่ไหมว่าอย่างนี้เรียกว่าราคะอย่างนี้เรียกว่าพยาบาทอย่างนี้เรียกว่าบิตกแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามอะไรตามจิตของเราถ้าจิตเราดีเออก็ไม่เป็นจิตไม่ดีเอามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้ น, น, น, นคนที่ชอบไปยึดอย่างเช่นเอาเนาะจะพูดในลักษณะมาปฏิบัติทำจริงบางคนก็ตั้งจิตไว้เลย พยายามนะนี่ๆจะพูดในทางที่ดีไอ้ไอทางไม่ดีไม่ต้องไปตั้งจิตมันหรอกนะไม่ต้องไปพูดถึงแต่พูดว่าอย่างเช่นเนี่ยเราจะกำหนดเลยเราจะสัญญาเอาไว้เลยหรือตั้งตาบ่าเอาไว้เราจะตั้งตาบ่าอย่างนี้เราจะถือศีลอย่างนี้จะทำให้ดีที่สุดเลยเ อ, อนะตลอดพรรษานี้ตลอดปีนี้นะจะทำให้ยอดเยี่ยมที่สุดคุณกาหนดขึ้นมาแล้ว แต่เดี๋ยวทําใบทําใบไปไงทําใบทําใบทําใบบางทีบังก็เอออารมณ์ดีก็โอ้โหทําได้ดีบางทีบางวันก็ไม่อุปสรรคอะไรเลยเออก็ทําได้ง่ายหน่อยบางวันโอ้โหไอหนุ่นก็มาไอหนีนก็มานะทั้งมีดทั้งลูกปืนทั้งระเบิดบางทีโยนใส่เข้ามาเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ้โหตบาบาดชักแย่แล้ววันนี้ไม่ไหวละ ขอเป็นพุ่งนี้แล้วกันนะครบางทีเนี่ยเริ่มนะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่แน่นอนแต่ถามว่าคุณตั้งจิตให้มันดีเนี่ยดีไหมดีเพราะคนที่จะเที่ยงได้แล้วเนี่ยคนที่จะเที่ยงได้นะคราวนี้ฟังดีๆนะเพราะตอนนี้เราพูดเรื่องไม่เที่ยงใช่ไหมแต่คนที่จะเที่ยงได้เนี่ยจะเที่ยงได้ต่อเมื่ออะไรจิตของคนที่จะเที่ยงได้ที่ไม่มีแปรปรวนอีกแล้ว จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะดำไหนอ่ะเออก็ต้องบริสุทธิ์ในการหมดกิเลสตัวนั้นๆในเรื่องนั้นๆคุณหมดได้เมื่อไหร่เนี่ยคือศูนย์ไงใช่ไหมพอศูนย์แล้วเนี่ยเอา้ามันจะมีบวกหรือมีลบอะไรเข้ามาได้ไงใช่มเพราะันที่จะเที่ยนได้เนี่ยมีแต่ศูนย์ถ้าใครยังมีบวกหรือใครยังมีลบเนี่ย มันไม่เที่ยงหรอกถ้าคุณยังมีบวกหรือคุณยังมีลบอยู่มันไม่เที่ยงมันมีแต่ศูนย์เท่านะถึงจะเที่ยงได้หรือถ้าเราใช้ภาษาธรรมะก็คือคืออะไรถ้าใช้ภาษาธรรมะศูนย์เนี่ยก็คือนิพพานคือสภาวะของนิพพานอริยมรรคเจ้าในท่านเปรียบนิพพานเอาไว้นะถึงไม่มีไม่มียาว ไม่มีสัน้นไม่มีกลมไม่มีแบนไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรท่านก็นจะเปรียบอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันก็คือสภาวะศูนย์นั่นเองที่ไม่มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาอีกได้แล้วน่ะสภาวะนั้นนะ่ะสภาวะเดียวที่เที่ยงได้นอกนั้นในโลกนี้ถ้าดังทาไม่ถึงจุดนั้นไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะขอให้จําให้แม่นเลยอันนี้พ่อท่านย้ําพ่อท่านพูดกับพวกเราบ่อยๆ ว่าโดยเฉพาะจำให้ดีว่ากิเลสมันไม่เที่ยงกิเลสเนี่ยเป็นตัวที่เราเปลี่ยนแปลงได้